นับต้งแต่รู้เดียงสามาพวกเราก็พากันดินน้นรนทุรนเตยเทเยอทียานเพื่อการเสแวงหาต่างๆนานาตามที่พวกเราคาดหมายด้วยแม้นจะมีความเหน็ดเหนื่อยเมื่อหิวมีความยากความลำบากอย่างไรก็ตามพวกเราก็พากันอดทนเพื่อให้ได้สิ่งทั้งหลายเด่ดังนั้นมาด้วยความภาคความเพียรด้วยความขยันด้วยความดินน้นรนขวนขวายเสแวงหาต่างๆนานามา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 แม้บุญกุศลนี้จะมองไม่เห็นจับต้องไม่ได้แต่แต่ก็เป็นสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้เมื่อถึงเพราะเราสัมผัสได้ด้วยจิตของเราคือมีสัมผัสถึงความเบิกบานถึงความผ่องใสนั่นเองเปรียบปดูเหมือนการรับประทานอาหารเมื่อเรารับประทานอาหารอิ่มแม้ความอิ่มนั่นเรามองไม่เห็นจับต้องไม่ได้ก็ตามแต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเราอิ่มเพราะเราสัมผัสได้ด้วยความรู้สึกของเรานั่นเองบุญกุศลทั้งหลายเหล่านั้นก็เช่นกัน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 บุคคล ต, ต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นก็ได้อาศัยความภาพความเพียรในการประพฤติปฏิบัติเดินตามเส้นทางที่พระุทธเจ้าได้ทรงชี้แนวทางไว้นั้นจนถึงที่สุดแล้วบุคคลต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นก็สามารถเข้าเข้าไปถึงจุดหมายปลายทางดังเช่นพระพุทธเจ้าเข้าไปถึงแล้วคือสามารถจะชำระจิตใจของต่านเองให้พ้นจากหลมจากหลุมของของความเป็นผุ้ทุชนเข้ามาถึงซึ่งความเป็นอริยะบุคคล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 นี่แหละหลักศีลสมาธิปัญญาจึงเป็นหลักการปฏิบัติที่สมบูรณ์ที่สุดไม่มีหลักปฏิบัติใดในโลกนี้ที่จะสมบูรณ์ยิ่งกว่าหลักศีลสมาธิปัญญานี่อีกแล้วการที่พวกเราจะนามาปพื่พปฏิบัติเราจะนําเพา่อเพื่อปฏิบัติได้อย่างไร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 สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเป็ น, ปนอันเป็นาศาสนาพิธีเป็นเครื่องยืนยันเป็นตัวยืนยันถึงความจะเป็นบุคคลผู้มีสีลของพวกเรานั่นเองนั่นเมื่อพวกเราเป็นบุคคลผู้มีสีลแล้วแม้เราจะอยู่กันมากมายไกลกองขนาดไหนจะมาจากหลายเชื้อชาติวัณะแตกต่างกันก็าตาม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 การที่ปีกแวกออกไปในในในทางต่ําในทางเสื่อมเสียในทางเลวทามนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้ล้วนแต่ล้วนแต่มีปัญญานิตรตะล่อมในเส้นทางของการเดินเอไปสู่จุดหมายไปทางคือเดินไปบนเส้นทางแห่งคุณงามความดีเพราะจิตของเราจะเป็นตัวสอนเป็นตัวบอกเองเพราะในขณะใดที่จิตแวบออกไปในทางในทางต่ําในทางทามหรือในในความเป็นเครื่องมือของกิเลสแล้ว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 สิ่งทั้งหลายเหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่พวกเราควรจะชี้คายแยกแยะพิจารณาพิจารณาลงไปดูตามสภาพความเปจริงที่มันแสดงความเป็นมิติกูลโสโคกเป็นสิ่งที่น่าสิอิสเอียนน่าขยะ้ข ย, ย้งอยู่ตลอดเวลาแม้พวกเราจะพากันตกแต่งพากันชำระสัสางอย่างไรก็ตามการชำระสัสางการตกแต่งของพวกเรานั้นก็ยังไม่สามารถไปปิดบังสภาพความเป็นมิติกูลโสโคก ข, ของเขาได้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 หรือแม้กระทั่งปริจารณาไปจนกระทั่งถึงบทลมหายใจหล่อเลี้ยงแล้วเรือนกายนี้ถ้าไม่มีลมหายใจหล่อเลี้ยงแล้วสภาพธาตุทั้งสี่คือดินน้ามลมไฟมันแต่กระจุยกระจายแยกแยะออกไปแล้วเราดูีิว่ามันจะยิ่งเป็นเป็นคามเป็นอสุภะอสุพังเป็นของหน้าสิอิเอียนหน้าลางเกียตหน้าขยะแขยแยงมากขึ้นเท่าไหร่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 เราจะเกิดมาแล้วหรือเราจะตายไปแล้วเขาเก็เป็นเช่นนั้นเองอยู่ตลอดอนันต์กายเขาไม่เคยเสกสรรปั้นแต่งว่าเขาเป็นสุภะหรือเขาเป็นอสุภะเพียงแค่จิตนี้แหละไปยึดไปให้ความหมายเขาว่าเขาเป็นสุภะเขไปยึดในความเป็นสุภะไอ้ความเป็นสุภะก็เลยมาครอบงามจิตให้รุ่มหลงหัวเมาไปในทางยินดีแต่พอจิตไปให้ความหมายเขาว่าเป็นอสุภะ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 พวกที่เคยเที่ยวเคยเล่นเคยเกเรเกตุงอะไรก็ฉันจะเลิกตลอดเป็นฐานนี้ใช่ไหมละ่ะ<ช>เอาให้มันมีให้มีหลักกิงขึ้นมาในชีวิตของพวกเราเองนะ<ช>ฝากไว้ด้วยกันทุกท่านทุกคนเอา้าเอาจากนี้ไปก็จะอนุโมทนาให้พรนะพากันตั้งใจรับพรนะนั่นดีก็หวังใจว่าคนจะทำได้นะ